นีขึ้นพัทธราวุฒิมานวกะปัญหานิเทศที่สิบสองท่านพัทธราวุฒิทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ขออาราธนาพระองค์ผู้ละความอะไรตัดตันหาเสียแล้วไม่มีความวันไหวละค ว, ความเพลินเสียข้ามโอเะแล้วพ้นวิเศษแล้วละความดำริมีปัญญาดี ชนทั้งหลายได้ฟังพระดํารัสของพระองค์ผู้เป็นนาคแล้วจากหลีกไปจากที่นี้เห็นไหมมาถึงก็ชมพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ละความอะไรหมายถึงว่าความพอใจความกําหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าไปยึดถือด้วยอํานาจตันหาที่ทีอุปาทานอันเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันและเป็นอนุสัยแห่งใจในรูปธาตุ กิเลสชาติมีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าไปยึดถือด้วยอำนาจตันหาที่ที่อุปาทานเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ผู้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาอันตันหาในเวทเวทนาธาต์สัญญาธาต์สังขารธาตุนีนะความกำหนัดความพอใจ ความเพลิดเพลินความทยานอยากความยึดถือด้วยอำนาจตันหาทิฏฐิอุปาทานอันเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันและเป็นอนุสัยแห่งใจเนี่ยกิเลสชาตินั้นอะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ทรงละแล้วตัดรากขาดแล้วทาให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดา อันกิเลสในในวัตถุในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะโดยเฉพาะในขันหะกิเลสตัณหาทิฏฐิอุปาทานอนุสัยเหล่านั้นพระองค์ตัดรากขาดหมดแล้วคําว่าตัณหานี่ก็เป็นชื่อของรูปปัตนหาสัทธตัณหาคันทะตัณหาราสตัณหาโพธะภาตัณหาธรรมตัณหาตัณหานั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงตัดแล้วตัดขาดแล้วตัดพร้อมแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําไม่ให้อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยาน เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าทรงตัดตันหาตันหาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าความหวั่นไหวนะความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาโลภะกุศลมูลเรียกว่าความหวั่นไหวผู้ไม่มีความหวั่นไหวเรียกว่าตันหาอันเป็นความหวั่นไหวนั้นนะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทรงทําให้ไม่มีที่ตั้ง ดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่มีความวันไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความหวันไหวเพราะพระองค์ไทรงละความหวันไหวเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สะทกสะทานไม่ทรงวันไหวไม่ทรงไหวไม่ทรงท่านพึง แม้ในราบความเสื่อมราบในยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปดไม่ว่าจะเป็นราบยศสรนเสริญสุขหรือว่าความเสื่อมราบเสื่อมยศความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยพระ อ, องค์คงที่ไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจตันหาในในลาบเสื่อมราบเป็นต้นะนะนีตันหาความกำหนัดความกำหนัดนักโลภะ กุศลมูลเรียกว่าความเพลิดเพลินตัณหาอันเป็นความเพลิดเพลินนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ ม, มิมีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดา พระองค์ในทรงข้ามโอฆะได้แล้วคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามแล้วซึ่งกามโอฆะภาวะโอฆะทิติโอฆะอวิชาโอฆะทรงข้ามแล้วคือทรงข้ามขึ้นทรงข้ามพ้นก้าล่วงล่วงเลยไปแล้วซึ่งคลองแห่งสงสารพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่คืออริยวาสนี่อยู่จบแล้วคืออริยวาสสิบนะมีจรณะทรงประพฤติแล้วเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีชาติสงสารพบใหม่อีกต่อไป พระองค์นั้นเป็นผู้พ้นวิเศษดีแล้วคือมีพระไทยพ้นวิเศษแล้วพ้นวิเศษแล้ ว, พ, ว, ลวพ้นวิเศษดีแล้วจากราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธตลอดจนถึงอากุสลาพิสังขารทั้งปวงเนี่ยพระองค์ทรงละได้หมดแล้วเรียกว่าทรงละความเพลิดเพลินข้ามโอคะพ้นวิเศษแล้วกับปะนี่เป็นชื่อของความด â ริด้วยตันหากับทิฏฐิความด â ริด้วยตันหาทิฏฐิ สองประการเนี่ยพระผู <heroin> pues, ้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละความด âm ฤด้วยตัณหาสละคืนความด âm ฤด้วยทิฏฐิแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วชื่อว่าทรงละความด âm ฤเพราะพระองค์ทรงละความด âm ฤด้วยตัณหาสละคืนความด âm ฤด้วยทิฏฐิคำว่าขออาราธนาก็คือขออาราธนาเชื่อเชิญทูลให้ยินดีปรารถนาชอบใจคาของพระองค์นะ พระองค์ผู้มีปัญญาดีก็คือปัญญาความรู้กิริยาที่รู้ความไม่หลงความเลือกเฟ้นทําสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัญญาหรือเมธาเนี่ยพระผู้มีประภาคเจ้าทรงเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้ามาถึงพร้อมเนี่ยนะเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาชื่อว่าเมธานี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีประภาคเจ้าชื่อวา่าผู้มีปัญญาดีเมธาเนี่ยนะเมธาวี aw, ผู้มีปัญญาดีเนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นนาคเพราะว่าไม่ทรงกระทําความชั่วไม่เสด็จไปสู่ความชั่วไม่เสด็จมาสู่ความชั่วเพราะฉะนั้นข อ, อชนทั้งหลายได้ฟังดํารัตของพระองค์พระดํารัตของพระองค์ผู้เป็นนาคแล้วจักหลีกไปในที่นี้คือจักหลีกจักหลีกเลี่ยงไปจากที่นี้คือจักไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่สรุปว่า ข้าพระองค์ขออาราธนาพระองค์ผู้ละความอะไรคือตันหาตัดตันหาเสียได้ไม่มีความหวั่นไหวด้วยตันหาละความเพลิดเพลินเสียได้ข้ามโอเะแล้วพ้นวิเศษแล้วละความดำเริก ด, ด้วยตันหาและทิฏฐิพระองค์มีปัญญาดีชนทั้งหลายได้ฟังคำของพระองค์ผู้เป็นนาคแล้วจากหลีกไปจากที่นี้คือไปสู่ทิดน้อยทิ่ใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้กล้าชนต่างๆมาแล้วจากชนอวบ ท, ทั้งหลาย ประชุมกันแล้วคือในบริษัทนั้นเข้ามากันมาก น, นะหวังอยู่ซึ่งพระดํารัสของพระองค์ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ดีพยากรณ์ด้วยดีแก่ชนเหล่านั้นเพราะว่าธรรมะนั้นอันพระองค์ทราบแล้วอย่างแท้จริงขอให้สอนให้ดีด้วยเถอดจริงๆแล้วพระองค์ก็รู้แล้วละว่ากั้นคําว่าชนทั้งหลายนะชนต่างๆก็คือกรรษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรขึ้นหัดบรรปชิตเทวดาและมนุษย์ชนเหล่านั้นเนี่ยมาจากชนบทต่างๆมาประชุมกันแล้วนะ ก็คือมาจากอังคมะมคตกาสีโกสนวชีมัลลเจตีกุรุปัญจาลอาวันตีโยนะกัมโพนนะกัมพูนนมพชาก็คือโอ้ยคนเข้ามาฟังธรรมเยอะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้กล้าชื่อว่าวีระเนี่ยนะเพราะพระองค์ทรงมีความเพียรพระองค์เป็นผู้องค์อาจทรงให้ผู้อื่นมีความเพียรเป็นผู้สามารถเป็นผู้ปราศจากความขนลุกขนพอง คือพระองค์ใ้ทรงละเว้นจากบาปประธรรมทั้งปวงในโลกนี้ล่วงเสียแล้วซึ่งทุกในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีวิริยะมีประทานทรงกล้าผู้คงที่มีพระรอฤุไทยเป็นอย่างนั้นคือเป็นผลมั่นคงองค์อาจจริงๆคําว่าหวังอยู่ซึ่งพระดํารัสเนี่ยนะก็คือมุ่งหวังปรารถนายินดีประสงค์พระดํารัสทางแห่งพระดํารัสเทศนานุสนธิของพระองค์เนี่ยนะ พันขอพระองค์ทรงพยากรด้วยดีคือขอพระองค์จงตรัสบอกทรงประกาศด้วยดีเพราะว่าธรรมะนั้นอันพระองค์ทรงทราบแล้วอย่างแท้จริงอธิบายว่าความว่าธรรมะนั้นพระองค์ทรงทราบทรงรู้ทรงเทียบเคียงทรงพิจารณาเจริญทําให้แจ่มแจ้งแล้วอย่างแท้จริงคืออภินญยยธรรมปรินยธรรมเป็นต้นเนี่ยพระองค์ตรัสรูด้ดีจริงๆสรุปว่าข้าแต่พระองค์ผู้กล้าชนต่างๆมาจากชนบททั้งหลายมาประชุมกันแล้วหวังอยู่ซึ่งพระดํารัสของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ด้วยดีแก่ชนเหล่านั้นเพราะว่าธรรมนั้นอันพระองค์ทรงทราบแล้วอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพัทรวุธหมูสัตว์พึงนำเสียซึ่งตันหาเครื่องยึดถือทั้งหมดทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ำหรือแม้ชั้นกลางส่วนกว้างเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงขันห้าใดๆในโลก มารย่อมไปตามสัตว์ด้วยอํานาจอภิสังขารคือกรรมนั่นแหละแปลว่าให้ละตันหาในในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องกลางทั้งหมดนะนะเพราะว่าถ้ายึดถือขันใดใดในโลกมารก็ติดตามด้วยอํานาจกรรมอธิบายว่าตันหาในรูปเรียกว่าตันหาในรูปตรัสว่าตันหาเครื่องยึดถือถามว่าเพราะเหตุไรตันหาในรูปจึงตรัดว่าตันหาเป็นเครื่องยึดถือเพราะตันหา นั้นนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายจึงยึดถือเข้าไปยึดถือยึดไว้จับต้องถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัตปฏิสนธิพบสงสารวัตตะเพราะนั้นตันหาในรูปจึงเรียกว่าตันหาเครื่องยึดถื อ, อตันหาตัหาในขัน5ในคติอุบัตเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวที่ยึดถือ พ, ะะพึงนำเสียซึ่งตันหาเครื่องยึดถือทั้งหมดนำเสียในที่นี้ก็คือพึงนำเสียปราบเสียละเสียบันเทาเสียทําให้สิ้นสุดซึ่งสึงให้ถึงความไม่มีซึ่งตันหาเครื่องยึดถือทั้งสิ้นนั้นอะ่ะไหละตันหาเครื่องยึดถือเหล่านั้นทั้งหมดนะคำว่าพระกวาก็เป็นคําที่กล่าวโดยความเคารพเนี่ยนะที่บอกว่าตันหาเครื่องยึดถือเนี่ยนะ พึงนำเสียซึ่งตันหาเครื่องยึดถือที่มันยึดถือทั้งข้างบนข้างล่างข้างบนเบื้องต่ําทั้งชั้นกลางส่วนกว้างก็คืออนาคตเรียกว่าเบื้องบนอดีตเรียกว่าเบื้องต่ําปัจจุบันเรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้างมันให้ตัดตันหาในอดีตในอนาคตปัจจุบันเสียหรือว่าในกุศลธรรมตรัสว่าเบื้องบนอกุศลตรัสว่าเบื้องต่ําอัพยากตะธรรมเรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้างมันให้นําตันหาที่ยึดถือกุศลอกุศลและอัพยากตะธรรมเหล่านั้นให้หมด เทวโลกเรียกว่าเบื UR, uh ้องบนอบายโลกเรียกว่าเบื้องต่ํามนุสโลกเรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้างมันให้นําตันหาตัดตันหาในเทวโลกอบายโลกมนุสโลกให้หมดสุขเวทนาตราเรียกว่าเบื้องบนทุกขเวทนาตรัสว่าเบื้องต่ําอทุกมสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้างเพราะฉะนั้นให้ตัดตันหาในทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบขาเวทนา รูปประาธาต์ตรัาเรียกว่าเบื้องบนการมาธาต์เรียกว่าเบือบเเบ้องต่ำรูปประาธาต์เรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้างเพราะนั้นให้ตัดตันหาในการมาธาต์รูปประธาต์และอรูปประธาต์เสียเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเรียกว่าเบื้องบนเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมาเรียกว่าเบื้องต่ำท่ามกลางเรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้างเพื่อให้ตัดร่างกายตัดชั้นธาค่าในร่างกายทั้งข้างบนข้างล่างชั้นกลางละตันหาในท่างกายทุกส่วนเหมือนกัน เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดๆในโลกคือยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอบายโลกเป็นต้นเนี่ยนะมารย่อมติดตามสัตว์ด้วยอํานาจอภิสังขารคือกรรมนั่นแลไม่ว่าจะเป็นขันธมารขันธมานาธาตุมานอายตนะมานคติมา น, มานอุบัติมานปฏิสนธิมานภพมานสังสารมารวัตตมา น, ามานอันมีในปฏิสนธิย่อมเป็นไปตามไป ติดตามด้วยอำนาจสังขารคือกรรมนั่นแหละพะถ้ายึดถือขันห้าน่นะมารตามแน่น่นะมารตามตั้งแต่เกิดเลยนะนั่นะนะมารติดตามไปตลอดคำว่าชันตุงก็คือสัตว์นรามาน บ, บุคคลชีวะนชนมาตุชาตุชนชันตุชนอินตะคูผู้เกิดจากพระมนุษย์เรียกว่ามนุษย์นี่ยนะ สรุปว่ามูสัตว์พึงนำเสียคือพึงทำลายเสียซึ่งตันหาเครื่องยึดถือทั้งหมดทั้งเบื้องบนเ บ, บ, บื้องต่ำเบื้องกลางไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันกุศลอกุศลอภพยกตะเทวโลกอบายโลกมนุษยโลกสุขทุกอขอทุกขมสุขกายมรรครูปธาตุอรูปธาตุร่างกายตลอดทุกส่วนเนยนะให้ตัดตันหาละตันหาปราบตันหาในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายยึดถือขันใดๆในโลกมาน มารก็ติดตามสัตว์ด้วยอำนาจอภิสังขารคือกรรมนั่นแหละมารก็นาไปเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นน่ะนะเพราะเหตุนั้นภิกษุรู้อยู่เมื่อเห็นซึ่งหมูสัตว์ผู้ข้องอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุวาเป็นผู้ติดอยู่ในขันห้าเป็นเครื่องยึดถือพึงเป็นผู้มีสติไม่เข้าไปยึดถืออะไรอะไรในโลก รือว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยเป็นผู้ยึดขันห้ากันทั้งนั้นแหละเพราะฉันให้มีสติเจริญสติปัญญานเป็นต้นไม่ยึดถือขันห้าใดๆในโลกนั่นนะอธิบายว่าเพราะเหตุนั้นคือเมื่อพิโส น, นเนี่ยเห็นโทษในตัณหาเป็นเครื่องยึดถือนะคำว่ารู้อยู่ก็คือรู้อริยสัจนะนะรู้รู้รู้ทั่วรู้ชัดรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดเมื่อรู้ชัดรู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดนะอริยสัจเป็นต้นนะนะ คำว่าไม่พึงเข้าไปยึดถือคือไม่พึงยึดถือไม่พึงเข้าไปยึดถือไม่พึงถือไว้ไม่พึงจับต้องไม่ถึงถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่พึงยึดถือคติอุบัติไม่พึงยึดถือในปฏิสนธิในพบสงสารและวัตตะคำว่าภิกษุคือกัลยาณปุตุชนหรือพระเสขะเรียกว่าภิกษุอันนะั้นก็มีสติอันนะั้นให้มีสติก็คือมีสติ เจริญสติประฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม น, นะก็ให้ละความยึดถือเอ่อให้ละความยึดถือ มีสติไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลก น, นะอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ช่างเถอะในโลกคือขันในอบายโลกเทวโลกมนุษยโลกขันอายตนะาธาตุโลกเพราะฉะนั้นให้มีสติไม่พึงยึดถือด้วยอำนาจตันหาทิฏฐิในขันทั้งปวงในทุกโลกคำว่าเห็นเมื่อเห็นเห็นว่าหมูสัตว์เนี่ยนะติดอยู่ในขันห้าเครื่องยึดถือ คือสัตว์เหล่าใดยึดถือเข้าไปยึดถือถือไว้จับต้องถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัติปฏิสนที่พบวั ต, ตะสงสารสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าติดข้องอยู่ในขันห้าอันเป็นเครื่องยึดถือเนี่ยนะคือขันห้านั่นแหละอันคำว่าสัตวนะ์เนี่ยนะสัตว์เนี่ยที่ติดข้องในขันห้าเรียกว่าถือว่าติดข้องในบ่วงแห่งมัจจุนะเป็นผู้ที่ติดข้องในอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุว่ามูสัตว์ ติดข้องในกิเลสในขันในอภิสังขารเพราะว่ากิเลสขันอภิสังขารเรียกว่าบ่วงแห่งมัจจุคําว่าหมูสัตว์นี้เกี่ยวข้องกเกาะเกี่ยวพัวพันธุ์ในบ่วงแห่งมัจจุคือในบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมรณะสิ่งของข้องเกี่ยวอยู่เกี่ยวเกาะพัวพันธุ์อยู่ที่ตาปูเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนของที่ติดอยู่ที่ตะปูที่ติดในฟ้านะเหมือนกเกาะไว้อย่างนั้นแหละหรือเหมือนไม้หน้าคาทาะนี่นะคือเหมือนขอช้าง เพราะว่าหมูสัตว์เนี่ยเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวพัวพันธุ์ในบ่วงแห่งมัจจุคือในบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งความตายในกิเลสในขันในอภิสังขารนัร่นแหละสรุปว่าเพราะเหตุนั้นภิกษุรู้อยู่คือรู้อริยสัจเห็นอยู่ซึ่งหมูสัตว์ผู้ข้องอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุคือบ่วงแห่งกรรมกิเลสวิบาก น, นี่ยนะเห็นว่าหมูสัตว์เนี่ยเป็นผู้ติดข้องอยู่ในรูปประขันเป็นเครื่องยึดถือเห็นว่าเออหมูสัตว์ปกติเขาเป็นอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นให้มีสติเจริญสติปัญญาเป็นต้นแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถืออะไรๆคือไม่ยึดถือขันห้าอะไรอะไรในโลกทั้งปวงนะ่นนะแม่สอนให้ยึดถือขันห้าแสดงว่าขันห้านี่เร็วมากนะขันห้าดีจริงพระ อ, องค์ก็สอนให้ยึดแลนะ้วแหะแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารพระ อ, องค์จึงสอนให้อ่าไม่ให้ยึดถือในสิ่งเหล่านี้อันเวลาจบคาถาเทวดาและมนุษย์ก็บรรลุเนี่ยนะส่วนท่าน พัทราวุฒมานปกับสิทธิ์ของท่านก็บรุเป็นพระอรหันต์